ดวงอาทิตย์เนี่ยมีการสว่างวาบขึ้นมาแล้วเมื่อคำนวณและวัดออกมาเนี่ยนะครับเราเพบว่าพลังงานที่ออกมาเนี่ยรุนแรงกว่าระเบิดปรมาูเป็นล้านลูกรวมกันซะอีกและน้องฟังไม่ต้องไปกังวลหรอกเพราะว่าพายุสุริยะถ้ามันจะเกิดนะมันไม่ได้เกิดครั้งแรกเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์อะนะเรากลัวไว้ก่อนมันก็ดีมันก็ดีกว่าแบบไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็ไปถึงก็โดนงูฉกอะนะมันเป็นสันทัตยาเนอนะเนาะ You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience For Your ได้ในโลกล้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนิดที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวช่วงก่อนหน้านี้นะคะมันจะมีกระแสข่าวว่าเนี่ยาซาจับตาเลยปี2025จะมีพายุสุริยะที่ทำให้แบบว่าเน็ตล่มทั่วโลก ฟังแล้วมันดูเป็นข่าวใหญ่มากเลยค่ะแล้วฟังก็อยากรู้ว่ามันจริงหริบบรงหรือเปล่าพายุสุริยะจริงๆแล้วคืออะไรแล้วมันกระทบกับโลกเราแบบไหนนะคะมาคุยกันในใดๆในโลกโล้วนฟิสิกส์ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัฐโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอาจวโรงจันทมาศครับพายุสุริยะจะทาให้เน็ตล่มค่ะพี่ปองแปงเรื่องอใหญ่นะคะเนี่ยเออถ้าถ้าจริงนะ ก็คงจะใหญ่แต่มันมีข่าวนี้จริงๆใช่ไหมมันมีข่าวนี้จริงๆได้รับการแปลมาพอไปดูแล้วเนี่ยเป็นการแปลมาจากข่าวต่างประเทศแหละแต่ว่าหลังจากนั้นน่าจะมีการพูดคุยกันแหละว่าเออมันอาจจะไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันแบบนี้อยู่ผมถามง่ายๆก่อนอพายุสุริยะเกิดก่อนหน้าเนี้ยล่าสุดเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะถ้าไม่รู้ก็แปลว่ามันแทบไม่ส่งผลต่อเรา<อ>แล้วมันก็เกิดมาเรื่อยๆมาตลอดนะครับอ่ แต่เราก็เราไม่รู้ไม่ใช่เหร อ, อเอาอย่างนี้ก่อนพายุสุริยะมันคืออะไรกันแน่อ่าอคืออะไรนะครับพายุสุริยะเนี่ยก่อนจะไปร่วมผลมันเป็นยังไงเรามาเข้าใจกันก่อนกันลกันว่าตัวพายุสุริยะเนี่ยคืออะไรเนาะสโอล่าสตอรมหรือพายุสุริยะเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ย มันมีความแอคทีฟที่รุนแรงเช่นเกิดแฟ a r e อย่างรุนแรงหรือเกิดการพ่นมวลโคโรนาที่รุนแรงมากมเพราะมันเกิดอะไรแบบนี้รุนแรงเนี่ยก็จะมีการปลดปล่อยพลาสมาหรืออนุภาคที่มีประ จ, จุไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงมาส่งผลกระทบบางอย่างต่อโลกของเราต่ อ, อสนามแม่เหล็กโลกของเรา อ, อันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นพายุสุริยะแต่ว่าแฟ a r e คืออะไร การพ่นมวลโครนาคืออะไรอันนี้ก็เอาไปก่อนนะแต่ว่านั่นแหละคือเอาเป็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยถ้ามันแอคทีฟแรงมากๆอ่ะมันก็จะเกิดพายุสุริยะได้ซึ่งเรานึกถึงคําว่าพายุก็จะนึกถึงพายุบนโลกของเราอย่างเงี้ยพายุสุริยะเหมือนกับการเกิดพายุบนโลกไหมคะในเซนส์ของความเป็นอะไรที่มันไหลเนี่ยก็อาจจะฟังดูคล้ายเนาะพายุก็คือลมที่มันอากาศที่มันแปั่ป่วนแป ร, ป ร, ป, ร, แ ป, รปรวนแล้วก็หมุนหรือว่าเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วรุนแรง พายุสุริยะเนี่ยมันไม่ใช่ลมแบบนั้นนะครับจะเป็นพวกพลา s m a กับอนุภาคมีประจุไฟฟ้าที่มันพุ่งมาด้วยความเร็วสูงมากนะดังนั้นในเซนต์หนึ่งมันก็อาจจะคล้ายๆ ล, ลมที่มันพุ่งจากดวงอาทิตย์ออกมาแต่มันไม่ใช่ลมหรอกมันก็คือพวกประจุไฟฟ้าครับแล้วมันกระทบกับโลกเราอย่างไงบ้างก่อนจะไปถือว่ามันกระทบยังไงนะขออธิบายที่มาที่ไปมันก่อนดีไหมจะได้เข้าใจถึงรากมันถึงรากถึงโคนจะได้รู้ว่า เฮ้ยเราควรจะกังวลแค่ไหน อ, อย่างไรด้วยคือเอาอย่างนี้ก่อนดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างมากและเราไปมองมันด้วยตาเปล่าไม่ได้นะครับ ม, มันจะเสียสายตาอย่างร้ายกาจเลยแต่เราเห็นดวงอาทิตย์เป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันดูนิ่งๆตลอดไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆผิวของมันถ้าเราใช้กล้องโทรทัศน์พิเศษแล้วก็ฟิลเตอร์พิเศษมาศึกษาอย่างพิเศษเราจะพบว่ามันมีความ เปลี่ยนแปลงบางอย่างนะฮะอยู่ที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์ให้เราสังเกตเห็นได้ <นะ S 2> ยังไงอยู่ตลอดเลยอย่างแรกที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดซึ่งจริงๆอาจจะเคยกล่าวไปแล้วในตอนก่อนๆ ก, ก็คื อ, อจุดบนดวงอาทิตย์หรือซันสปอตเคยได้ยินไห ม, มนะฮะก็ถ้าเราเอากล้องโทรทัศน์ส่งไปที่ดวงอาทิตย์แล้วก็เอาฟิลเตอร์ตัวกรองแสงนะฮ ะ, ฮะที่เหมาะสมนะมกรองแสงซะหน่อยวันดีคืนดีเราอาจจะเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้สว่าง ทั่วถึงทั้งดวงแต่จะมีจุดกระดำกระด่างโผล่ขึ้นมาบนบนผิวดวงอาทิตย์อไอ้ตรงนี้เขาเรียกซันสปอตซึ่งซันสปอตเนี่ยมีการค้นพบแล้วก็ศึกษามาตั้งแต่ยุคของกาลิเลโอแล้วนะ<อ>เก่าแก่มาก<ะ>ถึงวันนี้ก็ยังศึกษากันอยู่ซึ่งซันสปอตเนี่ยเป็นผลโดยตรงมาจากสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์คือดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันมีความร้อนมันเป็นแก๊สที่ร้อน<ะ>พอแก๊สมันร้อนจัดเนี่ยมันจะเกิดการ แตกตัวออกมาเป็น plasma คือมีสภาพประจุไฟฟ้าก็แล้วกั น, นอิเล็กตรอนมันหลุดออกมาเป็นไออนนอนไปเลยพวกนี้มันก็จะเป็น plasma ทีนี้ดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าเราดูซันสปอตนะฮะทุกวันดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่ามันขยับเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆคือมันดวงอาทิตย์มันมีการหมุนรอบตัวเองโดยที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะหมุนเร็วกว่าตรงขั้วของมันและที่ผมต้องพูดถึงว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีสภาพเป็นพล a s m a เนี่ยเพราะว่า ตอนที่พลาสมาหรือประจุไฟฟ้ามันเกิดการหมุนนะครับน้องฟังมันจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กะนะครับดังนั้นดวงอาทิตย์ก็เลยเป็นดาวที่มีสนามแม่เหล็กโดดเด่นมากมแล้วตัวมันเนี่ยก็ส่งผลหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นพอมันหมุนเนี่ยนะฮะลองนึกภาพสนามแม่เหล็กมันคล้ายๆกับยางหมุนไปหมุนมามันจะเริ่มพันกัน มันจะเริ่มพันกันเพราะแต่ละจุดมันหมุนไม่เท่ากันนี่พอมันพันกันเนี่ยยุ่งเหยิงขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปวดๆขึ้นมาเป็นแง่งๆขึ้นมานะไอ้่วนที่ปวดๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดเป็นจุดบนดวงอาทิตย์ได้ซึ่งสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะคอยกักกันไม่ให้แก๊สที่อยู่ล่างๆเนี่ยที่ร้อนๆเนี่ยปกติแก๊สร้อนๆล่างๆมันจะลอยขึ้นมาพอมีสนามแม่เหล็กเนี่ยขึ้นมานะฮะมันจะกันไม่ให้ไอ้ส่วนล่างลอยขึ้นมาได้ ส่วนที่เป็นจุดบนดวงอาทิตย์มันก็เลยเย็นกว่าบริเวณอื่นว่ามันเป็นจุดก็เลยเป็นจุดดํำๆขึ้นมาตอนมองผ่านฟิลเตอร์แต่จริงๆมันก็ยังสว่างนะฮะเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับจุดรอบๆมันถือว่าดํำแต่ดูแล้วจุดบนดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้กระทบอะไรกับดาวดวงอื่นก็ไม่เลยมันก็อยู่บนดวงอาทิตย์นะแต่มันเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่สําคัญของดวงอาทิตย์ก็แล้วกันแล้วก็ลิเลโอเขาเห็นสิ่งนี้เขาก็เลยเกิดคําถามว่า วัตถุบรรงสวรรค์มันไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ดวงจันทร์ก็ยังมีหลุมมีบอ่อขนาดดวงอาทิตย์ยังมีเป็นจุดจุดอะไรเนี่ย อ, อะไรก็ไม่รู้นะครับทีนี้สนามแม่เหล็กไม่ได้ก่อให้เกิดจุดบนดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวแต่ก่อให้เกิดคุณลักษณะอื่นๆบนผิวดวงอาทิตย์ด้วยเช่น prominence เ, เคยได้ไยินไหมฮ ะ, ะไม่เคยได้ยินค่ะคือมันเป็นแก๊สที่มีลักษณะเป็นพวยออกมาจากผิวดวงอาทิตย์โค้งขึ้นมาเลยแล้วโค้งเนี่ยใหญ่มากใหญ่บางทีใหญ่กว่าโลกอีกนะโอ ใหญ่แบบพุ่งขึ้นมาแบบโอ้โหเป็นเหมือนเชิดมังกรนะฮ ะ, ฮะซึ่ง prominence เนี่ย ม, มันก็เป็นผลมาจากปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์นี่แหละแล้วบางทีมันค้างอยู่ดังนั้นอะเป็นวันเป็นสัปดาห์เลยเพราะสนามแม่เหล็กเนี่ยมันคอยเลี้ยงรูปร่างของ prominence ไว้ อ, อันนี้ก็เป็นคุณลักษณะอีกอย่างหนึ่ง <ฮะ S 1> แล้วก็ flareflare เนี่ยถ้าเราใช้กล้องโทรทัศน์ส่องอย่างเหมาะสมนะครับโดยอุปกรณ์ที่ดีพอรเราจะเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ย มีการสว่างวาบขึ้นมาเหมือนแบบแก๊สมันปะทุพลังงานวาบขึ้นมาสว่างมากแล้วเมื่อคำนวณและวัดออกมาเนี่ยนะครับเราเพบว่าพลังงานที่ออกมาเนี่ยรุนแรงกว่าระเบิดปรมนูเป็นล้านลูกรวมกันซะอีกอเนี่ยเพราะามันรุนแรงมา ก, มากรุนแรงมา ก, มากแต่ถามว่าสองอย่างนี้มีที่มาที่ไปเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามหาคาตอบกันอยู่คือ อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงบนดวงอาทิตย์แบบนี้มันเป็นอะไรที่ศึกษาค่อนข้างยากนะครับเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับภูมิอากาศบนโลกเนี่ยยังยากเลยทํานายสภาพพยากรณ์อากาศนี่ให้มันแม่นอย่างยากเลยไปทำนายดวงอาทิตย์ว่าเมื่อไหร่จะเกิดโพรโมแนนซ์เมื่อไหร่จะเกิดแฟลร์เนี่ยยากไปอีกตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่เราก็มีทฤษฎีบางอย่างที่พอจะเชื่อถือได้ว่าแฟลร์เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่สนามแม่เหล็กเนี่ยนะฮะบางทีมันบิดงอเข้า แล้วมันก็พันกันยุ่งเหยิงแล้วพอมันขมวดถึงจุดนึงมันเหมือนหนังยางที่ขาดแล้วมันก็เกิดต่อกันใหม่เรียกเกิดรีคอนเน็กชันแล้วมันก็ทำให้แก๊สเหล่านี้เกิดร้อนจัดขึ้นอย่างแบบรุนแรงมากๆแล้วก็เกิดแฟลร์วัวบออกมาแบบนั้นแต่ฟังดูแล้วก็ดูเป็นปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์นะไม่ได้แบบเกี่ยวข้องอะไรกับโลกอะคะมันจะมาเกี่ยวกับโลกก็ต่อเมื่อแฟลร์นั้นะมันรุนแรงมาก และอีกอย่างเขาเรียกว่าการพ่นมวลโคโรนาภาษาอังกฤษใช้คาว่า Corona Mass ิ j e c t i o n หรือ CME มันเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ถ้าเราสังเกตดีๆด้วยกล้องอีกแล้วนะเราจะพบว่าผิวดวงอาทิตย์เนี่ยบางทีมันบุบขึ้นมาเป็นฟองแล้วมันก็ระเบิดเป็นแก๊สพุ่งออกมาคราวนี้คือไม่ได้พวยขึ้นมาอย่างเดียวแต่พ่นออกมาเลยหลุดออกมาเลยนะฮะปริมาณแบบเป็นล้านตันน่ะแล้วก็พุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงแบบ หลักล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรอย่างนี้เลยนะคือเร็วมากๆนะครับเอออันเนี้ยเป็นก้อนพล a s m a คือตัวผิวดวงอาที่มันหลุดออกมาอันเนี้ยไม่ได้แค่ส่งผลต่อโลกละแต่อาจจะส่งผลต่อสภาพโดยรวมของระบบสุริยะคือมันจะมีศัพท์อยู่คํานึงเขาเรียกว่า space weather ก็ภาษาไทยอาจจะแปลว่าสภาพอวกาศคล้ายๆกับสภาพภูมิอากาศแต่อันนี้มันไม่มีอากาศมันจะเป็นสภาพอวกาศอะไรแบบนั้นก็คือ เหมือนภูมิอากาศของอวกาศค่ะซึ่งตัวหลักที่มีความโดดเด่นต่อสภาพภูมิอวกาศแปลกๆมาสเปซเวเตอร์เนี่ยก็คือดวงอาทิตย์<อ>นั่นแหละทีนี้พอแฟล ร, ร์ ม, มันเกิดแรงมากมันก็อาจจะทําให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานที่รุนแรง<ฆ>หรือถ้า CME หรือ corona mass injection มันแรง ม, มากเนี่ยพลาสมากับอนุภาคเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาด้วยความเร็วสูงมากถ้ามันมาถึงโลกของเราซึ่งเราไม่ต้องกังวลนะครับว่า เราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราจะกลายเป็นซัมบี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ไ ม, ไม่ต้องกังวลคือโลกของเรามันมีสนามแม่เหล็กอยู่สนามแม่เหล็กของโลกเนี่ยปกป้องเราจากสิ่งเหล่านี้ได้มาโดยตลอดนะครับแต่ถามว่ามันจะส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกไหมก็อาจจะส่งผลให้ลักษณะสนามแม่เหล็กโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นตรงนี้เขาอาจจะเรียกว่า geomagnetic storm นะฮะหรือจะเรียกเป็นพายุสุริยะก็ได้เพราะมันมาถึงโลกแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงระดับนี้มันเริ่มรุนแรง แล้วมันส่งผลกระทบอะไรคำตอบคือหนึ่งสนามแม่เหล็กแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหสนามแม่เหล็กจะกลายเป็นรูแล้วโอ้โหโลกเราจะระเบิดแตแกแต ก, แตกไต อ, อะไรแบบนั้นม <laughs> ไม่แล้วก็สิ่งที่ได้รับผลมากที่สุดของมนุษย์น่าจะเป็นพวกนักบินอวกาศกับพวกยานอวกาศมากกว่ายังไงคะ่ะคืออนุภาคเหล่านี้มันมีประจุไฟฟ้ามันอาจจะส่งผลต่อระบบไฟฟ้า ของสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้รวมทั้งมนุษย์ อ, อวกาศเองถ้าได้รับสิ่งเหล่านี้มากๆเข้าก็อาจจะได้รับโดสที่ค่อนข้างจะเกินไปนะฮะ<อ>ก็คือด้วยด้ว ย, วยการที่มันมีไฟฟ้าเป็นประจุไฟฟ้ า, ฟาก็เลยส่งผลกระทบกับระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้า<อ>และถ้ามันมพลังงานสูงผ่านร่างกายแบบนี้มันก็อาจจะทำให้ DNA เเกิดมีปัญหาขึ้นใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราทำนายมันได้คร่าวๆในระดับหนึ่งไม่ได้ถึงขั้นแบบดาวหางจะมาเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็บอกได้ว่ามาวันที่เท่านนอนเท่านี้ชั่วโมงต้องมองไปทางนี้ทางนั้นเป๊ะพายุสุริยะเนี่ยปี2025เมื่อไหร่เขาก็ว่าเดือนกรกฎาแต่บางแหล่งก็บอกปี2024กํากลังจะมามันมันค่อนข้างโดดมากทีเดียวแต่ถึงจะโดดแค่ไหนมันก็พอจะกะการคร่าวๆได้และเราก็มีหน่วยงานมีอะไรที่มอนิเตอร์หรือคอย ศึกษาพวกปรากฏกา ร, ร์ดวงอาทิตย์เหล่านี้<ม>อยู่ตลอดดังนั้นถ้ามันจะมาถึงโลกเราแล้วมันจะส่งผลต่อนักบินอวกาศนะฮะ<ม>เขาก็จะมีเซฟตี้ของเขานั่นแหละ<ม><ม>ถ้ามันจะรุนแรงจริ ง, รงๆนะฮะ<ม>เขาก็อาจจะใช้การปิดโซลิตชั่วคราวของตัวยานอาวกาศนั้น<ม>จนกระทั่งไอตัวนี้มันผ่านพ้นไปแล้วค่อยเปิดเครื่องกลับมาใช้งานหรือแม้แต่หันไปในทิศทางที่มันจะดีกว่าที่จะไปรับพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้<ม>ก็หันไปในทิศทางที่ไม่ต้องแบบรับพายุสุริยะเต็มๆอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าฟังดูแล้วก็ไม่ได้น่ากังวลและอาจจะไม่ได้มีผลกระทบที่รุนแรงถึงขั้นที่บอกว่าเน็ต ล, ลงแต่ถ า, ถามว่าส่งผลต่อดาวเทียมได้ไหมส่งผลได้น ะ, <อ>ะดาวเทียมอาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าอย่างที่บอกพอเรารู้ล่วงหน้าระดับหนึ่ง ม, มันก็พอจะหลีกเลี่ยงปัญหาได้คือมันจะไม่ใช่ปัญหาแบบประเภทแบบจู่ๆเคาะป๊อ ก, ก, กมาที่บ้านแล้วแบบอุ้ยไม่ได้เตรียมตัวเลยอ ะ, อะไรเงี้ยอันนั้นน่ากลัวแต่อันเนี้ยพอเราเห็นแฟลร์ที่รุนแรงมากๆ หรือการพ่นมวลค و ร و ن ا ที่รุนแรงมากๆนะครับน้องฟังกว่ามันจะมาถึงโลกเราอ่ะประมาณสัก4ี่วัน5วันได้เลยนะ ม, มันไม่ใช่แบบช่วงเวลาอยู่ใช่ไม่ใช่เห็นปุ๊บแบบโอ้ถึงโลกทันทีไม่ใช่ อ, อันนั้นความเร็วแสงจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกยังใช้ประมาณ8นาทีใช่ไห ม, อ, มอันนี้เป็นมวลพวกนี้ก่อนจะมาถึงใช้เวลานานกว่า น, นั้น4ี่วันมันพอป้องกันได้ค่ ะ, ค ะ, คะแล้วจริงๆแล้วมนุษย์เราศึกษาปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ อยู่ใช่ไหมคะทุกวันนี้เราศึกษา<อ>ไปทําไมแล้ ว, แ ล, วแล้วมันเอาไปต่อยอดอะไรได้ไหมคะคือดวงอาทิตย์เนี่ยเราอยากรู้จักดวงอาทิตย์มากอยู่แล้วเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเตาพลังงานที่อยู่มาอย่างเนิ่นนานที่สุดนะครับแล้วก็โดยพื้นฐานวิทยาศาสต ร, รก์ก็ก็สนใจธรรมชาติอยู่แล้วแต่ความรู้เกี่ยวกับพายุสุริยะและปรากฏการแอคทิวิตี้บนดวงอาทิตย์เนี่ยนะมันนํามาซึ่งการออกแบบการย้ายไปอยู่ตามที่ต่างๆของมนุษย์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้น ลองนึกถึงในวันที่เราต้องไปอยู่ที่ดวงจันทร์มีฐานอยู่บนดวงจันทร์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับน้องฟังซึ่งดวงจันทร์มันไม่มีชั้นบรรยากาศหนาแบบโลกอ่ะเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าวันนี้ห้ามออกนอกเชลเตอร์หรืออะไรยังไงไอ้พวกนี้สําคัญมากเลยนะอซึ่งความรู้ความเข้าใจพวกนี้ในปัจจุบันถือว่ายังเอาตรงๆก็ยังค่อนข้างน้อยเรายังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแฟลร์เกี่ยวกับคอโรนาแมสสอิเจคชั่นอะไรพวกนี้ว่ากําเนิดของมันเกิดขึ้นจากอะไรเราจะทํานายมันได้อย่างไรอะไรพวกนี้ แล้วน้องฟังไม่ต้องไปกังวลหรอกเพราะว่าพายุสุริยะถ้ามันจะเกิดนะมันไม่ได้เกิดครั้งแรก ม, มันเกิดเป็นไซเคิลเขาเรียกว่าเกิดตามโซลาร์ไซเคิลคือปรากฏการณ์ต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นซันสปอตนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดบนดวงอาทิตย์แฟลร์โครโนมาอิสเตชันโครมิเนนซ์อะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าโซลาร์แอคทิวิตี้หรือเป็นความแอคทีฟของดวงอาทิตย์ซึ่งคุณ ด, ดวงอาทิตย์เนี่ยเขาแอคทีฟเป็นรอบๆ เราจะรู้ได้ยังไงรู้ไหมง่ายมากเลยคือนับจุดดูจุดจุดบนดวงอาทิตย์เนี่ยเยอะหรือเปล่าถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็แอคทีฟมากอ่ะช่วงนั้นก็จะเรียกว่าเป็นโซล่าแม็กซิมัมหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็จะใกล้เคียงกันแล้วก็ช่วงที่มันจุดน้อยๆดวงที่ก็จะสงบนิ่งก็จะเป็นโซล่ามินิมัมอะไรแบบนั้นมีมีช่วงสภาวะของเขาอยู่ใช่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ย จะเกิดไซเคิลระหว่างแมกซิมัมถึงแมกซิมัมเนี่ยสักประมาณ11ปีแต่ไม่ได้หมายความว่าช่วงเวลาการเกิดโซล่าแมกซิมัมเนี่ยมันจะห่าง11 11 11เไปเป๊ะนะครับอันนั้นค่าเฉลี่ยนี่ออกั้ยบางทีมันก็จะเกิดทีหน่อยก็อาจจะเป็น9ปีอย่างเนี้ยบางทีก็จะเกิดทางหน่อยก็อาจจะเป็นสัก14ปีอะไรแบบนี้แล้วแต่อารมณ์ของแอคทิวิตี้ของดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นแหละการศึกษาเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจอย่างทองแท้เนี่ยมันก็ค่อนข้าง ท้าทายเนาะสมัยผมเรียนฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีวิชาหนึ่งซึ่งผมแบบเหนื่อยมากเลยชื่อว่าพลาสมาฟิสิกส์อ๋อคืออะไรคะคือยากจัดคือปกติเนี่ยสารอย่างที่บอกนะครับที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสภาพประจุไฟฟ้านักเนาะมันก็จะเป็นเป็นกลางเนาะโต้มีไม่ได้เป็นไฟฟ้าเป็นอะไรจับไปไฟไม่ดูดแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยันอุณหภูมิสูงมันแตกตัวเป็นพลาสมาแล้วธรรมชาติของพวกพลาสมาเนี่ยมันซับซ้อนมากต้องไปอ่านทบทวนเยอะมากก่อนจะ กว่าจะเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างท้าทายเหมือนพลาสม่าก็คือในในพลาสมาเนี่ยก็มีหลักฟิสิกส์ของมันเองอยู่ใช่ใ<น>มันมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนของไหลที่ไม่มีประจุฟไฟฟ้าสักทีเดียวมันมีธรรมชาติที่ซับซ้อนกว่านั้น ม, มันมีเคลื่อนอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในสภาวะพลาสมา่าที่ของไหลปกติไม่มีอะไรแบบเนี้ยยากยากแต่ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นจุดหนึ่งนะที่มนุษย์เราอ่ะ เห็นดวงอาทิตย์ที่เข้าใจอยู่ทุกวันแต่เรากลับเข้าใจธรรมชาติหลายอย่างที่ที่มันเป็นน้อย Prominence เนี่ยแฟลร์อย่างเงี้ยเห็นแบบการระเบิดครั้งใหญ่ปรมนูเป็นล้านลูกอ่ะแต่มันเกิดจากอะไรยังไงเนี่ยเราสร้างแบบจำลองยากมากเลยนะครับเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่กับซับซ้อนจนแบบทำความเข้าใจได้ยากซึ่งก็ไม่แปลกในโลกวิทยาศาสตร์มอนก็เป็นอย่างนี้คือมนุษย์เนี่ยใครๆก็กินข้าวเป็น มันตั้งนานแล้วแต่การไปเข้าใจกลไกลการย่อยอาหารเนี่ยนะหัวจะปวดพอฟังแล้วอ่ะฟังคิดว่าไอความกลัวที่เรากลัวว่า พายุฟุริยะจะทําให้เน็ตล่มหรือว่าความแตกตื่นหรือการเป็นข่าวทั้งังที่เอการพิสูจน์อย่างแท้จริงอาจจะยังไม่ได้เมคชัวขนาดนี้ฟังว่ามันเป็นเพราะความไม่รู้ของเรามากกว่าแหละที่ทําให้ฟังก็ยังตื่นตระหนกต้องมาถามที่บองแปงวันนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งที่การศึกษามันทําให้เรารู้และเข้าใจมันได้มากขึ้นเนาะมันก็น่าจะทําให้ความตื่นตระหนกต่างๆเนี่ยมันเบาลงแล้วก็หายไปจริงครับแต่ว่ายอย่างนี้ขอข อ, อีกนิดนึงคือผม<า>ว่าธรรมชาติมนุษย์อะนะเรากลัวไว้ก่อนมันก็ดี คือมันก็ดีกว่าแบบไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็ไปถึงก็โดนงูฉกอะนะมันเป็นสันทนัตญาณอะเนาะแต่ทีนี้โลกสมัยใหม่เนี่ยข่าวสารมันเยอะถ้าเรากลัวบ่อยๆตกใจมากๆเข้าเนี่ย ม, มันกลายเป็นไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกันนะคือความเครียดมากๆมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันดังนั้นผมก็เลยคิดว่าบางอย่างถ้ามันยังไม่ชัวอะไรก็อาจจะอย่างที่บอก ค่อยๆวางมันไว้แล้วรอดูผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาสรุปอะไรแบบนั้นก็ได้ครับอืมโอเคค่ะก็วันนี้ใดๆในโลกโลนฟิสิกส์ก็มาทําความเข้าใจและอาจจะคลายความกังวลให้กับทุกคนได้เข้าใจพายุสุริยะมากขึ้นนะคะก็ใครฟังตอนนี้แล้วมีคอมเมนต์หรือว่ามีคําถามอะไรลองฝากทิ้งไว้กันได้นะคะฝากกด subscribe YouTube channel ของ The Standard Podcast กันด้วยนะคะจะได้ฟังตอนใหม่ๆของใดๆในโลกโลนฟิสิกส์แล้วก็ติดตามรายการของพวกเราได้ในทุกๆ podcast player เลยนะคะวันนี้ไปกันก่อนแล้วคะ่ะสวัสดี